สิกขาบทที่สิบเอ็ดภิกษุณีผู้ขอพระห่มหนาราคาเกินกว่าสี่กังสะเป็นอย่างมากต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้ขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อขอเสร็จแล้วต้องนิสัเคียปาจิตตี